กคริสตกสาราศตวรรษที่1บองคริสตสาราจ้ 11, อเจเท่านโจกงซึ่งเป็นใจเสียงของพระเจ้าเฉิง อ, อง๋อได้แต่งหนังสือขึ้นเล่มหนึ่งให้ชื่อว่าโจหลี่อันเป็นต้นตบรับที่ราชวงศ์ต่อมาถือเป็นแบบฉบับว่าด้วยการบริหารประเทศหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการกฎหมายและจารีตประเพณีรวมทั้งพิธีกรรมต่าง มีอยู่ข้อหนึ่งที่ท่านกําหนดไว้ว่าเดือนแรกของปีเป็นเวลาที่พืชพันธัญญาหารมีโอกาสเจริญเติบโตสัตวสัตว์ก็ง่ายแก่การตั้งคันฉะนั้นการเส้นสวงบูชาในเดือนนี้ห้ามฆ่าสัตว์ตัวเมียเพราะเกรงว่ากําลังตั้งคันอยู่นี่ก็เป็นความเมตตากรุณาของท่านโจโกงท่านนักปราดมังจือ้อได้กล่าวไว้ว่าผู้ดี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 เพื่อให้เราบริโภคลูกเห็นใครที่ไม่อยากบริโภคเนื้อสัตว์แต่ยังทำไม่ได้ทันทีก็จงแนะนำเขาให้เริ่มไม่แตะต้องเนื้อสัตว์สี่ประเภทนี้ให้ได้เสียก่อนเริ่มฝึกเสแต่เดี๋ยวนี้ความก้าวหน้านในการปฏิบัติธรรมย่อมติดตามมาเมื่อกระแสจิตได้ถูกฝึกฝนให้เจริญโดยเมตตาธรรมและกรุณาธรรมแล้วไส้ก็จะไม่นึกอยากฆ่าสัตว์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 ดูดูมนุษย์เกิดทั้งหมดล้นแต่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นเพื่อความมีชีวิตของตนเองต้องทำปาณาจิบาทอยู่ตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู่แม้กระทั่งมือที่ตบยุ่งบี้มดเท้าที่เหยียบลงไปบนสัตว์โดยไม่เจตนาก็ไม่รู้ตัวว่าวันหนึ่งวันหนึ่งได้ทำไปกี่ครั้งลูกจงระวังให้ดีป้องกันให้ดีนอกจากจะสุดวิสัยจริง งโบราณมีอยู่บทหนึ่งซึ่งเป็นที่ประทับใจพ่อจนบัดนี้ท่านว่าไว้ว่าเพราะรักหนูจึงเก็บข้าวไว้ให้กินเพราะสงสารแมลงจึงไม่จุดตะเกียงดูเถิดว่าคนโบราณนั้นท่านมีเมตตากรุณาเพียงไรการทำความดีนั้นไม่มีที่สิ้นสุดอธิบายเท่าไหร่ก็คงไม่หมด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 ข้อที่สความทอมตนโอวาททั้งสามข้อที่กล่าวจบไปแล้วนั้นล้วนแต่สอนให้ทําความดีส่วนโอวาทข้อสุดท้ายนี้ท่านสอนให้รู้จักวางตนในการครบหาสมาคมกับบุคคลทั่วไปโดยให้ยึดคุณธรรมข้อนี้ไว้คือการทอมตนไม่อวดดีว่าตนเองวิเศษกว่าผู้อื่นก็ย่อมจะไม่มีเรื่องกับใครไม่กล้าทําความชั่วสําเนึจอยู่เสมอว่าตนเอง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 ย่อมต้องประสบความเสียหายผู้ใดอ่อนน้อมท่อมตนไม่จองห้องลำพองตนย่อมต้องประสบความสุขความเจริญแม้แต่แผ่นดินก็หนีกฎนี้ไม่พน้นดูแต่ขุนเขาที่สูงตรงานยืนทะมึนเยยฟ้าทาดินก็ยังต้องพังทลายอยู่เนืองเนื่องส่วนแอ่งน้ำที่ต่ำต้อยนั้นจบมีน้ำขังอยู่ตลอดเวลาแม้แต่ปีศาจ ก็ชอบให้ร้ายคนเนงและอภิบาลคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนในวิชาพ้อยกลวยนั่นได้แบ่งออกเป็นหกสสี่หน่วยหน่วยอื่นๆล้วนสอนให้เห็นผลดีและผลชัว่วในพฤติกรรมของมนุษย์แต่หน่วยแห่งการอ่อนน้อมถ่อมตนนี้ไม่มีผลชั่วเลยมีแต่ผลดีทั้งสิ้นจึงเห็นได้ว่าฟ้าดินเทพพยาดาผีปีศาจและมนุษย์ ล้วนนิยมชมชอบความอ่อนน้อมท่อมตนกันทั้งสิน้นในคาพีอื่นๆก็กล่าวเหมือนกันว่าทนองตนย่อมนำมาสร่งความวิบัติท่อมตนย่อมนำมาสร่งความเจริญพ่อได้ไปร่วมสอบไล่กับนักศึกษาอื่นๆตั้งหลายครั้งทุกครั้งพ่อสังเกตเห็นนักศึกษาที่ยากจนบางคนบนใบหน้ามักทอประกายแห่งความท่อมตนจนบางครั้ง พอคิดอยากจะเอามือทั้งสองของพ่อไปประคองประกายแห่งความทอมตนนั้นมาประดับบนใบหน้าของพ่อสิบ้านและไม่ต้องสงสัยเลยพวกเขาเหล่านี้สอบได้ทุกทีไปเมื่อก่อนที่พ่อเข้ามาสอบในเมืองหลวงมีเพื่อนนักศึกษาร่วมเดินทางมาด้วยรวมทั้งหมดสิบคนด้วยกันพอสังเกตดูเห็นมีคนที่อายุน้อยที่สุด มีชื่อว่าปินคนเดียวที่มีความสงบสงี่ยมเจียมตนมีความทอมตนอยู่เป็นนิดพ่อจึงบอกกับเพื่อนๆนว่าคนคนนี้ต้องสอบไล่ได้แน่นอนเพื่อนถามว่าทำไมพ่อจึงรู้ล่วงหน้าได้เล่าพ่อบอกเขาว่าความทอมตนย่อมนํามาซึ่งความเจริญในหมู่พวกเราทั้งสิบคนนี้มีใครบ้างที่ซื่อและจริงใจมั้งครับ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 เมื่อปีคริสตศักราช1577พ่ออยู่ในเมืองหลวงพักกับเพื่อนชื่อไขจือแท้เพิงพ่อสังเกตดูรู้สึกเขาเปลี่ยนแปลงไปมากเมื่อเด็กๆ เ, เขาขี้เล่นซุกจนและเจ้าอารมณ์แต่บัดเนี้ยดูเขามีสติควบคุมอารมณ์ได้ดีมากเขามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเป็นคนดีมากฉลาดซื่อตรงชอบช่วยเหลือเพื่อน คุณธรรม3ประการนี้สมแล้วที่จักขนานนามเขาว่าเป็นกัลยาณมิตรเขามาแจอติเตียนใครจอต่อหน้าใครจอไม่เคยโกรธหรือว่าโตอตอบเขาเลยรับฟังอย่างอารมณ์ดีเสมอพอจึงบอกเขาว่านิสัยอันดีงามของเขาเนี่ยย่อมเป็นปัจจัยนาไปสู่ความมีบุญวาสนาส่วนคนที่ต้องประสบเคราะห์กรรมก็เป็นเพราะเขาสร้างนิสัยไม่ดีงาม เป็นเหตุปัจจัยนำเข้าไปสู่ความหายณะเช่นกันสำหรับเพื่อนนั้นแม่ฟ้าดินก็ต้องประทานความช่วยเหลือปีนี้เพื่อนจะต้องสอบไล่ได้อย่างแน่นอนต่อมาก็เป็นจริงดังที่พ่อพูดกับเขาไว้มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งแส่เจ้าสอบไล่ได้ในภูมิลำเนาของตนเมื่ออายุยังไม่ถึงยี่สปี แต่ต่อจากนั้นไปจะสอบกี่ครั้งก็ไม่เคยสอบไล่ได้อีกเลยต่อมาได้ติดตามท่านบิดาที่ต้องย้ายไปรับราชการที่อำเภออื่นในอำเภอนั้นมีบัณฑิตที่มีความรู้สูงอยู่ท่านหนึ่งแท่เฉียเด็กหนุ่มได้ทราบข่าวก็รีบนําบทประพันธ์ของตนไปหาเพื่อขอคําแนะนําโดยไม่คาดฝันท่านบัณฑิตจับผู้กันได้กตวาดข้อความในบทประพันธ์นั้นทิ้งเกือบหมดถ้าเป็นบางคนก็จะโกรธมาก แต่เด็กหนุ่มคนนี้นอกจากจะไม่โกรธแล้วยังขอบพระคุณท่านบัณฑิตแล้วรีบแก้ไขบทความนำมาให้ท่านแก้ไขให้อีกด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตอนนี้เป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่งพอรุ่งขึ้นอีกปีหนึ่งเด็กหนุ่มนี้ก็สอบไล่ได้่อปีคริสตศักราช1592พอได้ไปเมืองหลวงเพื่อเข้าเฝ้าห้องเตได้พบกับเพื่อนคนหนึ่ง ดูเขาช่างมีความจริงใจและอารมณ์ดีเสน่กระไรประกายแห่งความอ่อนน้อมทอมตนอยู่ทั่วบรรยากาศที่ ร, บรอบๆตัวเขาทำให้พ่อได้สัมผัสกับประกายนี้ด้วยความชื่นชมพ่อกลับจะเข้าฝ้าได้เล่าให้เพื่อนๆฟังว่าหากฟ้าจะประทานความเจริญรุ่งเรืองแก่ใครมักจะประทานสติปัญญาให้ก่อนเมื่อมีสติปัญญาแล้วคนที่เจ้าอารมณ์ ก็จะเปลี่ยนเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ได้คนที่อวดดีก็กลายเป็นคนถ่อมตนได้เมื่อพัฒนาตนเองได้แล้วฟ้าย้ำประทานบุญวัสนามาให้และก็เป็นจริงดังว่าเขาสอบไล่ได้ในปีนั้นเอง เมื่อปีคปริสตศักราช1534มีนักศึกษาแช่จางคนหนึ่งมีความรู้ดีเขียนบทความก็ดีเป็นคนเด่นคนหนึ่งในบรรดานักศึกษาทั้งหมดเขาเดินทางมานานจริงเพื่อเข้าสอบพักอยู่ที่วัดวัดหนึ่งเมื่อผลการสอบประกาศออกมาปรากฏว่าสอบตกแทนที่จะโทษตนเองว่าความรู้ยังไม่ถึงจริงสอบไม่ได้แต่กลับโกรธกรรมการควบคุมหาว่าไม่ยุติธรรม มีตาก็หามีแววไหมบทประพันธ์ดีๆก็หาว่าไม่ดีหลวงจีนในวัดท่านหนึ่งได้ยินข่าจึงยืนยิ้มอยู่เขาก็เลยพัโกรธท่านหลวงจีนไปด้วยหลวงจีนจึงกล่าวกับเขาว่าดูดูแลเห็นที่บทประพันธ์ของท่านไม่ดีจริงเขายิ่งโกรธใหญ่แต่ว่าหลวงจีนว่ายังไม่พันเห็นบทประพันธ์จะรู้ว่าดีไม่ดีได้อย่างไรหลวงจีนจึงพูดว่าการประพันธ์ต้องอาศัยความสงบทางใจ จิตเป็นสมาธิจึงจะเขียนได้ดีท่านควบคุมอารมณ์ไม่ได้วันไหวอยู่ตลอดเวลาจะเขียนบทประพันธ์ได้ดียางไรได้นักศึกษาจางได้สติจึงคุกเข่าขอขอมาและมอบตัวเป็นสติหลวงจีนจึงสอนว่าการสอบไล่ได้หรือไม่ล้วนขึ้นอยู่กับชะตาชีวิตถ้าชะตาไม่ดีแม้จะเขียนบทประพันธ์ได้ดียางไรก็สอบไม่ได้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 ความรู้ยังไม่เพียงพอจึงสอบตกแต่กลับไปด่ากรรมการคุมสอบเล่านักศึกษาจางเพิ่งได้คิดจึงเริ่มปฏิบัติตนเชื่อใหม่เลดความพยองลงไปทุกวันทุกวันเพิ่มคุณธรรมให้กับตนเองมากยิ่งขึ้นทุกวันทุกวันครั้นอีกสามปีต่อมาในปีคริสตศักราชห5 3 7้าสาในคืนวันหนึ่งได้ฝันไปว่าได้ไปในตึกสูงใหญ่หลังหนึ่ง เห็นบัญชีรายชื่อนักศึกษาที่สอบไล่วางอยู่เล่มหนึ่งเมื่อเปิดออกดูเห็นทุกหน้ามีช่องว่างเกิดความสงสัยจึงถามคนที่ยืนใกล้ๆว่าทําไมบัญชีรายชื่อนักศึกษาที่สอบไล่ได้แล้วจึงมีการคัดออกอีกเล่าได้รับคําตอบว่าเนาื่องจากผู้ที่สอบไล่ได้แล้วจะต้องผ่านการตรวจสอบในโยมโลกทุกๆสามปีถ้าใครมีความประพฤติไม่ดี ไม่อยู่ในธรรมะก็จะถูกคัดชื่อออกจะสอบอีกอย่างไรก็สอบไม่ได้แล้วชี้ไปที่ว่าบนสมุดบัญชีนั้นว่าสามปีมาเนี่ยเจ้าตั้งใจฝึกตนให้ก้าวหน้าไปมากก็จะเอาชื่อเจ้าไว้ตรงนี้ขอให้เจ้ารักตนสมนตัวอย่าได้วู่วามทําผิดเหมือนดังแต่ก่อนอีกปีนี้เขาก็สอบไล่ได้ที่หนึ่งร้อยห้า เมื่อดูเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วย่อมจะเห็นได้ยว่าสูงจากทิสะมนุษย์ไปเพียงสามฟุตก็มีเทพเจ้าคอยเฝ้าดูอยู่แล้วเราจะต้องทำแต่สิ่งที่เป็นมงคลหลีกเลี่ยงการกระทำอันเป็นอับประมงคลเสียจะดีจะชั่วจึงอยู่ที่ตัวเราเองถ้าควบคุมจิตใจและความประพฤติของเราให้ดีไม่ทำสิ่งที่ฟ้าดินละผีสางเทวดาไม่พอใจไม่ยิง ไม่อหังไม่วูวามอดทนในสิ่งที่ทนได้ยากฟ้าดินละผีสางเทวดาก็ย่อมจะสงสารเราเห็นใจเราประทานความช่วยเหลือแก่เราคนที่จะเป็นใหญ่เป็นโตในอนาคตย่อมไม่ทาจิตใจคับแคบเห็นแก่ตัวย่อมไม่เป็นผู้ทำลายความสุขความเจริญของตอนเองความทอมตนทำให้มีโอกาสที่จะได้รับการอบรมสั่งสอนจากท่านผู้รู้ ไดรับประโยชน์จากท่านเหล่านั้นไม่จบสิน้นนักศึกษาจึงควรทำตัวเช่นนี้ลูกจงจำไว้ว่าคนที่ยกตนขมท่านถือดีอวดเบ่งนั้นแม้จะได้ดิบได้ดีก็ไม่ยั่งยืนนานโบราณท่านว่าไว้ปรารถนาชื่อเสียงย่อมได้ชื่อเสียงปรารถนาความร่ำรวยก็ย่อมได้เป็นเศรษฐี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 ฟ้าดินยังประทับใจในความดีของเราพวกนักศึกษาพักบนดวงเทพ ย, ายดาฟ้าดินขอให้สอบไล่ได้แต่พวกนี้ไม่ค่อยมีความจริงใจการนบนดวงจึงไม่ได้ผล น, นักปราถนเมืองจือพูดกับพระเจ้าฉีสือเนอองว่าพระองค์โปรดดนตรีถ้าโปรโดด้ความจริงใจแล้วไซจะตามประเทศฉีก็จัดรรุ่งเรืองสุขใสเป็นแน่ แต่นี่พระองค์โปรดดนตรีเพื่อความสุขของพระองค์เองหากพระองค์สามารถขยายความสุขส่วนตัวนี้ให้แผ่ไพศาลไปในดวงใจของรัษฎรทุกคนแล้วไซร์รัษฎรก็จะมีความสุขเหมือนดั่งพระองค์และทุกคนก็จะจงรักภักดีต่อพระองค์อย่างสุดหัวใจเมื่อ น, นั้นชะตาของบ้านเมืองฉีจะไม่รุ่งเรืองสุขใยอย่างไรได้ไม่หลุดต้องการสอบไล่ได้เป็นคุนาน ลูกก็จะตั้งตั้งความปรารถนาไว้ดุดรากแก้วของต้นไม้แ น, แน่วแน่ที่จะทำความดีไม่ทอดทอิสั่งสมความดีงามให้ได้ทุกๆุกวันลดความถือดีอวดดีให้หมดไปสร้างอนาคตด้วยตัวลูกเองชะตาชีวิตจักทำอะไรได้ขอให้ลูกจงเพียรพยายามต่อไปเถิดความสำเร็จ ย่อมรอลูกอยู่แล้วอย่างแน่นอนท่านดูฟังครับนี่คือตอนจบของเรื่องโอวาสีของท่านเลียวฝานซึ่งถอดความโดยมิสโจ จากรายการเพื่อนรัชิการซึ่งแพร่ออกอากาศเมื่อเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2524ผมกุลชาติเทพหัสดินะอายุทยาผู้บรรยายขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านช่วยแพร่เสียงแห่งเนื้อหาสาระและ่อยคำที่ฟังดีมีคุณค่านี้ไปสู่การรับรู้ของมวลชนโดยปริยาย